อะไรคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นภาษาบาลีประกอบขึ้นด้วยคำสองคำด้วยกันคือสัมมากับทิฏฐิสัมมาแปลว่าความถูกต้องความถูกต้องตามความเป็นจริงทิฏฐิแปลว่าความเห็น เมื่อรวมกันก็แปลว่าความเห็นที่ถูกต้องคือความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงความสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงยกตัวอย่างของสัมมาทิฏฐิคือเห็นแมวเป็นแมวเห็นหมาเป็นหมา เรียกว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงแมวย่อมเป็นแมวหมาย่อมเป็นหมาจะไปเห็นว่าแมวเป็นหมาอย่างนี้ไม่ถูกต้องความเห็นไม่ถูกต้องนี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิทางาศาสนา ให้ความสาคัญกับความเห็นที่ถูกต้องเพราะเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องจะทำอะไรก็จะถูกต้องตามมานั่นเองจะพูดก็จะถูกต้องเช่นถ้าเราเห็นแมวเราก็บอกว่าเห็นแมวแต่ถ้าเราไปเห็นแมวเป็นหมา เราก็จะไปพูดกับคนนน้นคนนี้ว่าวันนี้เห็นหมาตัวนั้นเห็นหมาตัวนี้พอคนอื่นฟังแล้วก็งงเพราะแถวนี้ไม่มีหมามีแต่แมวถ้าเราพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงก็จะทาให้เราไม่สามารถที่จะสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง าการกระทําของเราก็จะกระทําอย่างไม่ถูกต้องเมื่อกระทําไม่ถูกต้องผลที่ไม่ถูกต้องก็จะตามมานี่สัมมาทิฏฐิจึงเป็นธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งของศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามีสัมมาทิฏฐิ แต่สัมมาทิฏฐิของศาสนานี้จะลึกซึ้งจะกว้างขวางกว่าตัวอย่างที่ยกขึ้นมาให้เช่นเห็นแมวเป็นแมวเห็นหมาเป็นหมาอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องแต่ไม่ได้กว้างขวางไม่ได้ลึกซึ้งไม่มีผลกระทบต่อจิตใจของผู้เห็น สิ่งที่จะมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้เห็นก็คือการเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปคืออบายมีจริงผลของบุญคือสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วไปรับผลบุญผลบาปต่อไป หลังจากที่รับผลบุญผลบาปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิของทางาศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามีกันเพราะเมื่อเรามีแล้ว เราจะได้ออทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราและระ ง, งับการกระทําที่จะเป็นโทษกับเราเ อ, อคือจะทําแต่สิ่งที่จะให้ความสุขกับเราจะระ ง, งับการกระทําที่จะให้ความทุกข์กับเราเออถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิ ไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเราจะไม่รู้ว่าการกระทำแบบไหนเป็นโทษเป็นคุณเราก็อาจจะทำไปตามความรู้สึกของเราตามมิจฉาทิฏฐิของเราเช่นอาจจะเห็นว่าบาปไม่มีไม่มีผลตามมาเพราะไปเห็นว่าผู้ที่กระทำบาปคือร่างกาย เมื่อร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบาปใครจะไปอบายใครจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานใครจะไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปนรกอันนี้มีความเห็นผิดตั้งแต่ไปเห็นว่าร่างกายนี้เป็นผู้กระทำบุญเป็นผู้กระทำบาป ตามความจริงแล้วร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของผู้กระทาบุญของผู้กระทาบาปผู้กระทาบุญหรือผู้กระทาบาปก็คือจิตใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกา ย, เ, ยเมื่อเราไม่สามารถมองเห็นใจได้ เราก็เลยไปคิดว่าผู้กระทําบุญผู้กระทําบาปคือร่างกายแต่ความจริงแล้วผู้กระทําบุญผู้กระทําบาปคือใจคือผู้สั่งการนั่นเองสั่งแล้วก็เป็นผู้ควบคุมร่างกายที่เป็นเหมือนหุนยนเนี่ยร่างกายนี้จะทำอะไรได้ ต้องรอรับคำสั่งจากใจก่อนเช่นตอนนี้กำลังนั่งอยู่ก่อนจะลุกขึ้นมาได้นี้ต้องรอรับคำสั่งจากใจก่อนใจบอกลุกขึ้นยืนร่างกายถึงจะขยับจากท่านั่งมาเป็นท่ายืนได้ถ้าร่างกายไม่มีใจมาคอยกํากับ มาคอยสั่งให้เคลื่อนไหวร่างกายก็จะอยู่เฉยๆอยู่ในท่านั้นเช่นคนตายคนตายนี้ไม่มีร่างกายไม่มีจิตใจมาคอยสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายตายในท่าไหนาก็จะอยู่ในท่านั้นจะเคลื่อนไหวก็ต้องรอให้คนที่มีจิตใจ มาสั่งให้เคลื่อนย้ายร่างกายของคนตายไปเช่นเวลาเกิดอุบัติเหตุมีคนตายก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ศพกู้ภัยเป็นผู้ที่จะต้องมาเคลื่อนไหวร่างกายเอาไปเก็บไว้ตามที่เหมาะสมต่อไปเพราะร่างกายนั้น ไม่มีใจมาคอยควบคุมมาคอยสั่งให้เคลื่อนไหวแล้วนั่นเองพอเวลาที่ร่างกายหยุดหายใจใจก็จะไม่สามารถที่จะสั่งการให้ร่างกายทำอะไรได้ต่อไปใจกับร่างกายก็แยกทางกันไปนั่นแหละแต่เราจะเห็นเพียงร่างกาย เราจะไม่เห็นใจเราก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็นผู้สั่งการให้กระทำอะไรต่างๆเมื่อเห็นว่าร่างกายเป็นผู้สั่งการสั่งให้ทำบุญหรือสั่งให้ทำบาปผู้ที่รับผลบุญผลบาปก็ต้องเป็นร่างกายร่างกายก็จะรับผลบุญหรือผลบาป ที่เป็นผลที่ไม่แน่นอนเพราะว่าผลที่ร่างกายจะรับนี้ไม่แน่นอนว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับเช่นคนทำบาปทำผิดกฎหมายแต่ไม่ถูกจับไปลงโทษก็มีมากมายนอกจากไม่ถูกลงโทษแล้วกลับไปได้รางวีรางวัลก็มีแทน ส่วนคนทำบุญนี้ร่างกายของคนทำบุญกับไม่ได้รับรางวัลไม่ได้รับผลตอบแทนเอออันนี้จึงไม่ใช่ถือว่าเป็นผลของการทำบุญทำบาปผลที่เกิดกับร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผลที่แท้จริงของการทำบุญทำบาปของใจโดยใช้ร่างกายเอ เป็น เ, เป็นเครื่องมือร่อ า, างกายนี้เป็นเหมือนเครื่องมือเป็นเหมือนรถยนต์ส่วนใจนี้เป็นเหมือนคนขับรถยนต์เวลาขับรถยนต์ไปเกิดอุบัติเหตุไปชนคนตายาผู้ที่จะถูกจับไปลงโทษก็คือคนขับรถยนต์แต่รถยนต์นี้ บางทีก็อาจจะถูกจับไปลงโทษบางทีก็ไม่แล้วแต่เขาเห็นความเหมาะสมว่าควรจะทำลายรถยนต์คันนี้หรือไม่หรือไม่ควรทำลายเพราะเขารู้ว่ารถยนต์ไม่ได้เป็นผู้กระทาเป็นเพียงผู้รับคำสั่งเป็นเครื่องมือของการกระทาบุญรืของการกระทาบาปเท่านั้นเอง ดังนั้นผลที่เกิดจากเครื่องมือเกิดกับเครื่องมือจึงไม่แน่นอนคนทําความดีทําบุญแต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรับรู้ก็จะบางทีก็ไม่ได้รับรางวัลแต่คนที่ทําชั่วอแต่ก็ไม่มีคนรับรู้ก็ไม่มีไม่ได้ถูกจับไปลงโทษะ ดังนั้นผลทางร่างกายจึงไม่ใช่เป็นผลของบุญของบาปถ้าเราจะมาดูผลบุญของบาปเราดูที่ร่างกายเราจะผิดหวงังเราจะสับสนอจะมีคําพูดที่พูดว่าอทําบุญไม่ได้ดีทําดีไม่ได้ได้ทาดีไม่ได้ดี ทำชั่วได้ดีมีถมไปเนะเพราะตัวอย่างมันเป็นอย่างนั้นคนทําชั่วได้ดิบได้ดีมีอยู่เยอะคนทําดีแล้วไม่ได้ดิบได้ดีมีอยู่เยอะเพราะเราไปดูที่ร่างกายเป็นผู้รับผลของการกระทำดีหรือกระทำชั่วนั่นเองแต่ถ้าเรามาดูผลที่ผู้ที่ทำคือจิตใจ เป็นผู้รับเนี่ยอันนี้จะตรงแผงเลยทําดีจะได้ดีทําชั่วจะได้ชั่วคือทําดีจะเกิดความสุขขึ้นมาทันทีในใจทําชั่วทําบาปจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีในใจต้องดูตรงที่จิตใจแต่เราดูจิตใจไม่เป็นกันถ้าไม่ได้มาเรียนทางาศาสนา ถ้ามาเรียนทางศาสนาศาสนาจะสอนให้เรามองกลับเข้ามาที่ใจของเราไม่ให้ไปมองที่ร่างกายให้มองที่ใจเป็นหลักเวลาทำความดีทำบุญหรือเวลาทำบาปทำความชั่วดูที่ใจว่ารู้สึกอย่างไรถ้าเราดูเราจะเห็น อย่างวันนี้ญาติโยมมาทำบุญกันถ้าเราดูที่ร่างกายจะรู้สึกไม่เห็นมีผลอะไรตอบแทนที่ร่างกายแต่มองเข้าไปที่ใจนี่จะเห็นผลทันทีก่อนทำบุญแล้วหลังทำบุญนี่ความรู้สึกจะต่างกันก่อนทำบุญจะรู้สึกเฉยๆแต่พอได้ทำบุญแล้วเกิดความอิ่มเอิบใจ เกิดความสุขใจเกิดความปิติขึ้นมานี่นี่แหละคือผลของบุญและผู้รับผลของบุญหรือบาปอยู่ที่จิตใจนี่เองจิตใจเราจะวัดจิตใจ่ะดูจิตใจเราก็ต้องดูที่ความรู้สึกที่ของจิตใจเพราะว่าจิตใจไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายให้เราดู ร่างกายนี้เรายังดูกิริยาอาการดูหน้าตาได้ว่าตอนนี้ร่างกายสุขหรือร่างกายทุกเนี่ยแต่ถ้าจิตใจนี้เราต้องดูที่ความรู้สึกแล้วส่วนใหญ่ต้องดูของเราเท่านั้นเพราะของคนอื่นเราจะมองไม่เห็นเราจะเห็นผลของคนอื่นก็เห็นผ่านทางร่างกาย เวลาคนอื่นมีความทุกข์ใจหน้าตาก็จะเศร้าหมองเวลาคนอื่นเขามีความสุขใจหน้าตาเขาก็จะร่าเริงเบิกบานแต่ใจของเขาเราจะไม่สามารถมองเห็นได้เราแต่เราสามารถมองเห็นใจของเราได้ถ้าเราดูที่ความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ในใจของเรา ความนึกคิดนี่แหละเป็นผู้เริ่มในการกระทำบุญหรือกระทำบาป พ, พอเราคิดอยากจะไปขโมยข้าวของขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของขบวนการของการทำบาป พ, พอเราคิดแล้วถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิประกอบคือเราไม่เชื่อว่า ทำบาปแล้วจะมีผลตามมาจะมีก็แค่ที่ร่างกายที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้อันนี้นี่คือความคิดที่มีมิจฉาทิฐิเป็นส่วนประกอบคือจะไม่กลัวผลของบาปเพราะคิดว่าผลของบาปจะไปเกิดที่ร่างกาย แล้วถ้าไปทำแล้วแอบทำไม่ให้ใครเขารู้เช่นขโมยนี่มักจะรอให้ไม่มีคนอยู่ในบ้านก่อนหรือจะรอให้คนที่อยู่ในบ้านนอนหลับก่อนถึงย่องเข้าไปขโมยข้าวของพอขโมยของไปเสร็จก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้ขโมย เห็นไหมโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดสดก็ยังถูกขโมยมาขโมยไปได้แต่เขาไม่มาขโมยตอนที่มีคนนั่งเฝ้าดูอยู่เขาจะรอเวลาที่ไม่มีใครเฝ้าดูแล้วเขาก็จะย่องเงียบเข้ามาแล้วก็หยิบของที่เขาอยากได้ไป ทำเสร็จแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นผู้กระทําบาป เ, ออเขาก็เลยร่างกายของเขาเลยไม่ได้รับโทษแต่อย่างใดออดีไม่ดี อ, อได้รับรางวัลก็ได้ได้ของมาแล้วก็เอาไปขายออขายก็ได้เงินกลับมา เ, ออเป็นเหมือนรางวัลจากการที่ได้ไปขโมยของ อ, อ, อันนี้ ถ้าเรามองที่ร่างกายแล้วเราจะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแต่ถ้าเรามองที่ใจนี้เราจะปฏิเสธไม่ได้ถึงแม้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเพราะผลมันปรากฏขึ้นมาให้เห็นทันทีพอไปขโมยของแล้วใจจะรู้สึกอย่างไรใจจะมีความหวาดกลัวแล้ว ไม่รู้ว่ามีใครเห็นหรือเปล่าตอนที่เราไปหยิบของขึ้นมาหรือว่าไม่รู้ว่าใครเขาจะตามมาตามหลักฐานมาถึงตัวเราหรือไม่สมัยนี้เขาก็มีวิธีการที่จะสามารถติดตามผู้กระทาผิดได้ในบางกรณีพอรู้ว่าอาจจะถูกจับ ก็จะทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาพอทําอะไรผิดแล้วทําบาปแล้วใจจะไม่สบายใจขึ้นมานี่แหละคือผลของบาปที่ทําปรากฏขึ้นมาทันทีในใจเหมือนกับผลของบุญที่ปรากฏขึ้นมาทันทีภายในใจเช่นเดียวกันเวลาทําบุญเสียสละข้าวของเงินทองไป ใจก็จะมีความสุขมีความปิติมีความอิ่มเอิบปรากฏขึ้นมาทันทีนี่ละคือสัมมาทิฏฐิคือบุญทำบุญแล้วจะทำให้เกิดความสุขใจทำบาปแล้วจะทำให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจนี่คือเป็นผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ จิตใจยังอยู่คู่กับร่างกายคื อ, อยังตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือผลของบุญหรือผลของบาปที่จะปรากฏขึ้นมาทุกครั้งที่มีการกระทำบุญหรือการกระทำบาปบุญและบาปที่ปรากฏขึ้นมานี้ผลของบุญหรือบาปที่ปรากฏขึ้นมานี้ยังไม่ได้หายไปหมด ยังตกค้างยังสะสมอ ย, อยู่ในจิตใจต่อไปจิตใจนี้ก็เปรียบเหมือนกับ เ, เป็นที่เก็บของเป็นห้องเก็บของเก็บทั้งของดีและของไม่ดีมันทุกครั้งที่เราทําบุญเราก็เอาบุญไปเก็บไว้ในจิตใจเอาความรู้สึกที่ดีไปเก็บไว้ในจิตใจทุกครั้งที่เราทําบา เราก็เอาความรู้สึกไม่ดีไปเก็บไว้ในจิตใจของเราแล้วพอตอนที่ร่างกายตายไปจิตใจจะแยกออกจากร่างกายทีนี้จิตใจจะไปทางไหนนี่อยู่ที่บุญหรือที่บาปที่ได้สะสมไว้ในจิตใจว่าอย่างไหนมีมากกว่ากันถ้าบุญ สะสมไว้ในใจมากกว่าบาปบุญนีจะทาให้ใจเย็นทําให้ใจมีความสุขถ้าบาปมีผลมากกว่าบุญถ้าสะสมบาปไว้มากกว่าบุญบาปจะทําให้ใจร้อนทําให้ใจทุกข์เนี่ยใจที่ไม่มีร่างกายนี้เราก็เปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็นดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณที่มีบุญมากกว่ามีบาปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความเย็นมีความสุขดวงวิญญาณที่มีความเย็นความสุขนี้แหละที่เราเรียกว่าเทวดาหรือสวรรค์นั่นเองเนี่นี่คือผลของบุญของบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วยังมีผลต่อจิตใจของเราต่อไปบุญ ถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะทำให้ใจเย็นถ้าบาปมากกว่าบุญก็จะทำให้ใจร้อนใจทุกข์ใจร้อนใจทุกข์ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ไม่ดีที่เราเรียกว่าเปรตเรียกว่าอสุรกายเรียกว่านารกนี่เองนี่แหละคือผลของบุญของบาปที่เกิดขึ้นที่ใจ พรใจเป็นผู้กระทำบุญ ผ, ผู้กระทำบาปใจก็เลยต้องเป็นผู้รับผลบุญผลบาปร่างกายเป็นเพียงส่วนประกอบเป็นเครื่องมือที่บางทีอาจบางทีก็จะได้รับผลบางทีก็ไม่ได้รับผลแต่ผู้ที่รับผลแน่ๆนคือใจนี่คือ เรื่องของสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าร่างกายหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละที่จะไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปเกิดในที่สูงที่ต่ำไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยเจ้า ด้วยกำลังของบุญพาไปไปเป็นเดลชานไปเป็นเปตไปเป็นนสุลกายไปตกนรกด้วยกำลังของบาป พ, พาไปแต่ทั้งบุญทั้งบาปที่ทานี้เมื่อมันส่งผลแล้วมันก็หมดไปได้เพราะบุญนี้เป็นเหมือนน้ำมันน้ำมันที่เราแตมใส่รถยนต์ เวลาเราเติมน้ำมันแล้วเราขับรถไปไหนมาไหนน้ำมันที่อยู่ในรถเดี๋ยวก็ต้องหมดนะพอหมดถ้าเราต้องการที่จะขับรถต่อเราก็ต้องแวะจอดตามสถานีบริการคือเติมน้ำมันสถานีเติมน้ำมันรถนั่นเองฉันใดหลังจากที่บุญหรือบาปที่พาให้เราไปสวรรค์หรือไปอบาย พอมันหมดกาลังลงคือมันมามีกำลังเท่ากันเวลาที่บุญกับบาปนี้มีกำลังเท่ากันเพราะว่าตอนที่เราไปรับผลบุญนี้บาปที่มีอยู่ในใจเราก็มีอยู่เพียงแต่ว่ามันมีน้อยกว่าบุญมันเลยไม่สามารถที่จ ะ, ะดึงใจให้ไปทางอบายได้ พอบุญที่ดึงใจไปสวรรค์เริ่มอ่อนกําลังลงเริ่มหมดลงพอลดลงมามีกําลังเท่ากับบาปะบุญก็ไม่สามารถดึงให้อยู่ในสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงให้ไปอบายได้ตอนที่จิตใจมีบุญกับบาปเท่ากันนี้เป็นเวลาที่จิตใจจะมาเกิดเป็นมนุษย์่ะ เราก็มารับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ที่ยังตกค้างอยู่ในใจอยู่ออคนเรามาเกิดจึงมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไปขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำกันที่ยังไม่ได้แสดงผลออมันก็จะมาแสดงผลตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันออถ้าเรามีบาปเราก็มักจะมีเจ้ากรรมนายเวร เจอพวกเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายพวกที่มาค อ, อยขัดคอยขวางคอยสร้างความทุกข์สร้างปัญหาต่างๆให้กับเราถ้าเราเป็นช่วงจังหวะของบุญส่งผลเราก็จะเจอแต่พวกคู่บุญบารมีต่างๆมาคอยสนับสนุนมาช่วยช่วยเหลือดูแลกัน นี่คืออำนาจของบุญและบาปที่มันไม่ได้หมดไปจากการที่เราไปเกิดในสวรรค์หรือจากการที่เราไปใช้บาปในอบายมันหมดไปบางส่วนเท่านั้นเองบุญที่พาเราไปสวรรค์พอมันลดลงมาเท่ากับบาปมันก็ไม่สามารถดึงให้เราอยู่บนสวรรค์ได้บาปที่ดึงให้เราไปอบาย พอมันลดลงมาเท่ากับบุญมันก็ไม่สามารถดึงเราไว้ในอบายได้ช่วงนั้นเราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะส่วนหนึ่งก็จะมารับผลบุญผลบาปที่ยังตกค้างอยู่ในใจของเราอีกส่วนหนึ่งก็เรามาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่อีก ไม่มีใครปฏิเสธที่ว่าเกิดมาแล้วไม่ได้ทําบุญเนือไม่ได้ทําบาปกันบุญนี้อาจจะทำยากกว่าการทําบาปเพราะว่าบาปนี้มีตัวคอยกระตุ้นให้ทำํำตัวที่คอยกระตุ้นให้ทําบุญนี้มีน้อยกว่าตัวที่กระตุ้นให้ทําบาปตัวที่กระตุ้นให้ทําบาปก็คือมิจฉาทิฏฐินี่เอง วิชาทิฏฐิก็จะไปกระตุ้นให้ไปทำบาปต่างๆมันจะไปสร้างความอยากได้สิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะกระตุ้นให้ไปหาสิ่งต่างๆด้วยวิธีทำบาปเพราะเป็นวิธีที่หาง่ายถ้าหาโดยวิธีไม่ทำบาปนี้มันจะหายากคนจึงมักจะทำบาปง่ายกว่าทำบุญกัน คนที่อยาํทำบุญได้นี่มีสองเหตุผลด้วยกันคือเคยทำบุญมาในอดีตเคยชอบทำบุญมาจนติดเป็นนิสัยออกมาเกิดมีโอกาสก็อยากจะทำบุญชอบทำบุญหรือถ้าไม่มีนิสัยในการทำบุญมาในอดีตแต่ได้มาเกิดในครอบครัวที่ชอบทำบุญที่ ส, สอนให้ทำบุญ ครอบครัวชาวพุทธนี้จะสอนเด็กให้ใส่บาตเด็กที่ก่อนจะไปโรงเรียนเวลาไปบินตบาตถ้าทันก่อนที่จะไปพ่อแม่จะบอกใส่บาทก่อนใส่บาทก่อนแล้วค่อยไปอันนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ได้ทำบุญถ้ามาเกิดอยู่ในครอบครัวที่เป็นชาวบุญชาวพุทธ ถ้าไปเกิดในครอบครัวที่ไม่เป็นชาวพุทธไม่เป็นชาวบุญที่บ้านไม่ใส่บาตรกันตอนเช้าก็ตาลีตาลาเตรียมตัวไปโรงเรียนกันไม่มีใครคำนึงถึงเรื่องการทำบุญหรือทำทำบุญใส่บาตรแต่อย่างใดเพราะว่าเขาไม่มีนิสัยมาในทางนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดอยู่ในเมืองพุทธอยู่ในหมู่บ้านที่มีพระเดินบินทบาท บางบ้านก็ใส่บาตรบางบ้านก็ไม่ใส่บาตรอันนี้อาจจะเป็นนิสัยเดิมไม่มีไม่เคยชอบใส่บาตรไม่เคยชอบทําบุญหรือตอนเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่สั่งสอนให้คอยทําบุญเลยไม่มีนิสัยที่จะทําบุญแต่ส่วนทําบาปนี้มันแทบจะมีนิสัยติดกันมาทุกคนเพราะว่า การทำบาศมันจะช่วยตอบสนองความอยากที่มีอยู่ในใจของใจของทุกคนใจของทุกคนที่มาเกิดนี้ก็เพราะมีความอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้นั่นเองใจที่พายพวกเรามาเกิดมีความอยากสามอย่างด้วยกันมีความอยากได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรส มีความอยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเด่นอยากดังเนะแล้วก็มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากไม่อายากจนอยากไม่ลําบากนะความอยากเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวที่ผลักให้ไปทําบาปได้ง่ายถ้าไม่มีนิสัยที่ไม่ชอบทําบาปมาก่อนจะไม่มีอะไรมาฝืนนะ หรือว่าถ้าไม่ได้มาเกิดในครอบครัวที่เป็นชาวพุทธที่ศรัทธาที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็จะไม่มีใครมาคอยห้ามถ้าเกิดในครอบครัวของชาวพุทธเวลาลูกทำบาปพ่อแม่จะห้ามทันทีพ่อแม่จะสอนทันทีว่าอย่าทำเนี่ยและอาจจะมีการลงโทษเป็นตัวอย่างให้รู้ว่าเวลาทำบาปแล้ว จะมีโทษตามมาจะถูกตีบ้างถูกด่าบ้างถูกว่าบ้าง <c oughs> อันนี้เพื่อเป็นการปรามเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไปทำบาปถ้าได้เจริญตอบตนอยู่ในครอบครัวของชาวพุทธที่แข่งคัดต่อคำสั่งคำสอนของพระบรมศาสดาก็จะไม่กล้าทำบาปกันจะ คอยแต่ทำแต่บุญอย่างเดียวนี่คือทาไมคนเราจึงมาเกิดแล้วจึงมาทำอะไรที่ไม่เหมือนกันบางคนไม่ชอบทาบุญชอบทาบาปบางคนชอบทำบาปไม่ชอบทำบุญ อ, อันนี้เป็นเรื่องของอดีตส่วนหนึ่งคือนิสัยเคยทำอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสัยไป ทำอะไรแล้วมันจะทำบ่อยขึ้นพอทำบ่อยขึ้นก็จะติดเป็นนิสัยถ้าทำมากก่อนนั้นก็จะกลายเป็นสันดานถ้าเป็นนิสัยก็ยังเปลี่ยนได้ง่ายกว่าเป็นสันดานเพราะว่าใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนิสัยที่สะสมไว้ในใจมันไม่ได้ตายมันมากับใจ คนเราจึงมีนิสัยไม่เหมือนกันออถึงแม้ว่าจะมาเกิดในพ่อแม่คนเดียวกันก็ตามจะเหมือนกันก็ที่หน้าตาที่ร่างกายแต่นิสัยใจคอนี้จะไม่เหมือนกันออคนหนึ่งอาจจะชอบทําบุญอีกคนหนึ่งอาจจะชอบทําบาปก็ได้เพราะว่า ท, ที่มาที่ไปของนิสัยนี้ไม่ได้มาจากร่างกายของพ่อแม่ แต่มาจากจิตใจมาจากการกระทำที่เคยกระทำมาในอนดีตนั่นเองนี่แหละคือเรื่องยืนยันว่าเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงถ้าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดคนเราถ้าเกิดมาเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายมันก็ต้องเป็นเหมือนผลไม้ทุกคนเหมือนส้มส้มออกมาจากต้นเดียวกันนี่ เหมือนกันทุกลูกเลยรสชาติเหมือนกันหมดแต่คนมาจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่ทําไมจึงไม่นิสัยไม่เหมือนกันก็เพราะว่านิสัยไม่ได้มาจากพ่อแม่นิสัยมาจากใจที่เราเรียกว่าบุญหรือบาปนี้ถ้ามีนิสัยทําบุญเราก็เรียกว่าบุญหรือบาลมีบุญบารมี ถ้าเรียกถ้ามีนิสัยทาบาปล้วก็เรียกว่าวิบากพวกมีวิบากพวกที่ชอบทำบาปทำกรรมเนี่ยนี่แหละเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะพิสูจน์ได้ว่าเหล่านี้ไม่ได้เป็นร่างกายเหล่านี้เป็นจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่ยังต้องกลับมาเกิดมีร่างกายอยู่ ก็เพราะว่าเรายังมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่นั่นเองเรายังอยากได้เข้าวของเงินทองต่างๆเรายังอยากมีหน้ามีตามีเกียรติอยากจะมีตำแหน่งต่างๆเรายังอยากจะได้รับรางวัลต่างๆเรายังอยากหาความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายกันอยู่ทุกครั้งที่เราไป หาขนมนมเนยมาดื่มมารับประทานนี่ก็เป็นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทุกครั้งที่เราไปดูภาพยนตร์ไปดูละครไปฟังเพลงไปร้องลำทำเพลงไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปเที่ยวตามสถานบันเทิงสถานท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้เป็นความอยากทั้งนั้นเกิดจาก การมีความอยากในใจของเราทั้งนั้นจึงพาให้เราต้องกลับมาหาความสุขเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเพราะความสุขเหล่านี้มันไม่ได้ใช่ความอิ่มความพอกับใจนั่นเองต่อให้เที่ยวเท่าไหร่ขอให้ดูหนังกี่กี่เรื่องก็ตามฟังเพลงกี่เพลงก็ตามต่อให้ได้เงินทองมามากน้อยเพียงไรก็ตาม คำว่าพอจะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจสิ่งต่างๆเหล่านี้นอกจากไม่ได้ให้ความพอแล้วกลับให้ความอยากเพิ่มขึ้นอีกกลับทำให้หิวมากขึ้นไปอีกได้คืบก็อยากจะได้สอกใน้สอกก็อยากจะได้วาเป็นใน10สิบก็อยากจะเป็นน1 0ร้อยเป็นน1 0ร้อยก็อยากจะเป็นนายพันเป็นในพันก็อยากจะเป็นนายผลอยากมันไปเรื่อย จึงทําให้ไม่ว่าจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรแม้แต่เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ยังมีความอยากอยู่อาจจะไม่อยากได้เงินแล้วก็ตามก็ได้เพราะไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรแล้วพอไม่พอไม่อยากได้เงินก็อยากจะได้อย่างอื่นอยากได้อําอนาจทัศนสิอยากเป็นใหญ่เป็นโตเห็นไหมพวกคนรวย พอรวยเต็มที่แล้วลุยจะทาอะไรดีก็ไปเล่นการเมืองเลยเล่นการเมืองมีเงินซื้อเสียงซื้อทุกอย่างได้หมดเดี๋ยวเดียวก็ได้เป็นนายกเดี๋ยวเดียวก็ได้เป็นประธานาธิบดีนี่คือความอยากพอได้เป็นแล้วก็ไม่อิ่มใช่ไได้เป็นครั้งเดียวก็ไม่พอต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามก็จะได้จะอยากไปเรื่อย ดีไม่ดีอาจจะได้อยากจะเป็นเป็นนายกแล้วยังไม่พอต่อไปอยากจะเป็นพระราชามหากษัตศัย์ขึ้นมาก็ได้อาจจะแต่งตั้งตัวเองต่อไปเรียกฉันว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้คนเมื่อมีอำนาจจะทำอะไรก็ทำได้เพราะถ้าคนไม่ทำตามก็จะถูกเขาลังแกข่มเหงถูกเขาทำลายได้นี่คือเรื่องของความอยาก ที่มีฝังอยู่ในใจของพวกเราทุกคนที่พาให้เราต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันอยู่เรื่อยๆนี้เองเพราะมีความอยากแล้วต้องมีร่างกายของมนุษย์ที่จะตอบสนองความอยากความต้องการของเราได้อันนี้ะเป็นวิธีที่จะทำให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้ถ้าเราคิดเป็นถ้าเราคิดว่าอ๋อ ผู้ที่มาเกิดนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของผู้ที่มาเกิดผู้ที่มาเกิดก็คือใจที่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงเกล็นลดต่างๆพอร่างกายอันเก่าตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่และก่อนที่จะมาเกิดใหม่ ก่อนที่จะได้ร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีร่างกายเนี่ยนี่คือสัมมาทิฏฐิบุญมีจริงบาปมีจริงผลของบุญผลของบาปคือสวรรค์นรกนี่มีจริงตายแล้วไม่สูอที่สู์คือร่างกาย แต่ที่ไม่สูญคือจิตใจจิตใจไม่มีวันสูญไม่มีวันสลายเพราะจิตใจไม่มีองค์ประกอบไม่มีส่วนประกอบถ้าสิ่งใดมีส่วนประกอบสิ่งนั้นจะต้องมีวันสูญสลายเพราะส่วนประกอบจะแยกจะแยกออกจากกันเช่นร่างกายของพวกเรานี้เป็นส่วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาด้วยการมีส่วนประกอบ ส่วนที่มาประกอบให้ร่างกายของให้ร่างกายของเรามีร่างกายนี้คืออะไรก็คือธาตุสี่นี้เองดินน้ำลมไฟเดินน้ำลมไฟนี่แหละที่มาปั้นให้เกิดมีร่างกายเกิดมีอาการสามสิบสองขึ้นมามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก มีเยื่อในกระดูกมีม้ามีหัวใจมีตับมีปอดมีผังเผินมีลำไส้มีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่ามีเยื่อในสมองศีรษะมีน้ําชนิดต่างๆเช่นน้าดีน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเหงื่อน้ํามันข้นน้ํามันเหลวน้ําตาน้ําลาย น้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดเนี่ยนี่คือส่วนที่ผสมปรุงแต่งทำให้ปรากอดมีร่างกายที่มีเราที่เราเห็นส่วนภายนอกคือเห็นรูปร่างหน้าตาถ้าไม่มีส่วนอื่นเป็นส่วนประกอบร่างกายนี้จะอยู่ไม่ได้ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งขาดไปร่างกายก็จะหยุดทันที ถ้าหัวใจหายไปนี่ก็ตายทันทีถ้าอาวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งชำรุดเดี๋ยวมันก็จะทำให้ส่วนอื่นชำรุดตามแล้วในที่สุดมันก็จะหยุดทำงานพอมันหยุดทำงานส่วนที่มารวมกันให้เป็นอาการสามสิบสองมันก็จะแยกทางกันไปคนตายในสิ่งที่ไปก่อนคืออะไรคือลม น, ะนมมีแตก เมื่อก่อนมีเข้ามีออกแต่พอไม่เข้าแล้วเทนี้ก็มีแต่ออกอย่างเดียวออกมาในรูปแบบของกลิ่นนี่เอง <c oughs> ที่เราได้กลิ่นของร่างกายก็คือลมนะก็เรียกว่าธาตุลม <c oughs> แล้วต่อไปก็ธาตุไฟก็ออกมา <c oughs> คนมีชีวิตกับคนไม่มีชีวิตลองไปจะไปแตะต้องดูจะมีความร้อนเย็นไม่เท่ากัน คนตายนี่เย็นเฉียบคนไม่ตายนี่ยังมีความอุ่นอยู่ยังมีาธาตุไฟอยู่พอธาตุลมไปาธาตุไฟไปาธาตุที่สามคือน้ำก็จะไปต่อไปร่างกายก็จะแห้งกรอบแล้วก็จะผุพังไปกลายเป็นดินต่อไปนี่แหละคือส่วนใดสิ่งใดที่มีมีส่วนประกอบ ที่เราเรียกว่าสังขารสังขารคือการประกอบขึ้นมาของสิ่งต่างๆด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำนมไฟถ้ามีการรวมตัวมีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาต่อไปมันก็จะมีการแยกสลายไปเพราะว่าดินน้ำนมไฟมันไม่ชอบอยู่ร่วมกัน ที่มันมารวมกันเพราะมันถูกบังคับให้มารวมกันเหมือนคนที่ถูกบังคับให้แต่งงานเนี่ยถ้าแต่งงานกันเพราะไม่รักกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะคิดแยกกันจะไม่อยู่ด้วยกันฉันใดดินน้ำลมฝฟก็เป็นเหมือนถูกบังคับมาให้รวมกันให้มาสร้างร่างกายขึ้นมาแล้วมันก็พยายามที่จะแยกออกจากกันแล้วในที่สุดมันก็จะแยกได้ ลมมันจะเป็นตัวแยกก่อนลมจะไม่ยอมเข้าแล้วพอลมไม่เข้าก็เหลือแต่ลมที่อยู่ข้างในมันก็จะค่อยระเหยออกมาไฟที่เคยเข้าไปก็จะไม่ไม่มีเข้าแล้วมีแต่ออกน้ำที่เคยเข้าก็ไม่เข้าแล้วมีแต่ออกเมื่อออกหมดก็เหลือแต่ดินนี่คือเรื่องของ สิ่งต่างๆที่เมื่อมีการผสมปรุงแต่งเราเรียกว่าสังขาร น, นี้สังขารคือเครื่องผสมปรุงแต่งเมื่อมารวมตัวกันแล้วก็ต้องมีการแยกกันในที่สุดไม้ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของมนุษย์ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันหรือแม้แต่ไม่ใช่ร่างกายเช่นต้นไม้ใบหญ้าก็เหมือนกันก็เป็นสังขารเหมือนกัน ต้นไม้ใบหญ้ามันก็ต้องมีดินน้ำลมไฟมันถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เป็นต้นไม้ขึ้นมาได้แล้วพอเวลาที่ธาตุมันไม่ยอมอยู่ร่วมกันมันแยกกันต้นไม้ใบหญ้ า, ยยา ก, ก็ตายไปเนี่ยนี่คือแต่ใจนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นใจนี้เป็นหนึ่งเป็นผู้รู้สึกนึกคิดที่ไม่มีส่วนประกอบ เมื่อไม่มีอะไรมารวมทำให้มันเป็นใจมันก็เลยไม่มีการแยกไม่มีการล่มสลายไม่มีการสูญใจเลยไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่ใจมาเกิดอยู่เรื่อยๆก็เพราะมีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เองพอได้ร่างกายก็จะมาหาความสุขผ่านทางร่างกายแล้วบางทีก็ ต้องไปทำบาปถึงจะได้ก็ทำบาปไปถ้าไม่ต้องทำบาปก็ไม่ทำบาปแต่ส่วนใหญ่มักจะต้องทำบาปกันเพราะว่ามักจะต้องการมากกว่าที่จะหามาได้โดยวิธีไม่ทำบาปนั่นเองความโลภความอยากมันจะขยายเพิ่มไปเรื่อยๆตอนต้นอาจจะหาได้โดยไม่ต้องทำบาปแต่พอโลภมากขึ้นอยากมากขึ้นเดี๋ยวก็ต้องไปทำบาป การทำบาปจึงเป็นสิ่งที่ง่ายกว่าการทำบุญเพราะการทำบุญนี้จะต้องรอให้มีส่วนเหลือก่อนมีข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก่อนถึงจะมาคิดทำบุญกันนี่เรื่องของเหตุของการมาทำบุญหรือมาทำบาปก็จากความอยากเป็นตัวนำ ความอยากก็เกิดจากมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวนำคือขาดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่ขาดคืออะไรคือไม่รู้ว่าความสุขที่ให้ใจมีความอิ่มความพอนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหามาได้อย่างไรไม่มีใครรู้อันนี้มีแต่มิจฉาทิฏฐิที่ไปเห็นว่าความสุขอยู่ที่ลาบยศสันเสญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เอง พวกเราที่มาเกิดกันทุกคนนี้มาเกิดด้วยมิจฉาทิฏฐิถ้าเรายังมาหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถะพระอยู่สแสดงว่าเรากำลังถูกมิจฉาทิฏฐิหลอกให้เรามาหาความสุขที่ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปด้วยซ้าไป เพราะความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นของชั่วคราวมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปนั่นเองพอหมดไปก็ต้องหาใหม่หาหาได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องหมดไปอีกพอร่างกายหาไม่ได้ร่างกายตายไปก็กลับมาเกิดมาหามามีร่างกายอันใหม่อีกเนี่ย นี่แหละมิจฉาทิฏฐิพาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเกิดแล้วก็มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกันทุกรอบไปเกิดมากี่รอบก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไปทุกรอบแต่ก็ไม่มีแต่ก็ไม่รู้จักวิธีหยุดเพราะไม่รู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นอย่างไร จะมารู้ได้ก็ต้องมาเจอคนที่มีสัมมาทิฏฐิที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งคนที่มีสัมมาทิฏฐิคือพระพุทธเจ้านี่เองคนที่ค้นพบสัมมาทิฏฐิได้ด้วยตนเองพระพุทธเจ้าตอนที่มาเกิดก็ยังมาด้วยมิจฉาทิฏฐิตอนที่มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่ก็ยังถูกมิจฉาทิฏฐิ หลอกมาให้มาเกิดพอมาเกิดแล้วก็หลอกให้มาหาลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่วันดีคืนดีไปเห็นสิ่งที่มากระทุ้งจิตใจเขาสะเทือนจิตใจเขาคือไปเห็นร่างกายของคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วมาสะท้อนนึกถึงว่าต่อไปร่างกายของพระองค์เองก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ตอนนั้นถึงเริ่มมีความรู้สึกหูตาสว่างขึ้นมาว่าเออความสุขที่เรากำลังหาอยู่นี้มันต่อไปมันจะไม่มันจะหาไม่ได้นะต่อไปมันจะมีแต่ความทุกเวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายตายไปเนี่ยพอเห็นอย่างนี้แล้ว ความหลงกับการที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากลาบยศสารเสริอนี้หายไปหมดเลยที่นี้มีแต่ความคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็ไปเห็นนักบวชเข้าก็ได้ทราบว่านักบวชนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปค้นหาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย นักบวชนี้จะเป็นผู้ที่จะไปค้นพบความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกา ย, ยก็คือความสุขที่เกิดจากการทำจิตใจให้สงบนั่นเองเพอทราบอย่างนั้นพระองค์ก็เลยพุ่งเป้าไปที่การเป็นนักบวชพอมีโอกาสมีจังหวะพอถึงเวลาที่จะต้องไปก็ไปเลย เพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปก็อาจจะไปไม่ได้เพราะว่าจะมีลูกได้ข่าวว่ามีลูกพอ ร, รู้ว่ามีลูกถ้าอยู่ต่อไปก็จะห่วงลูกจะรักลูกจะต้องคอยเลี้ยงดูลูกก็เลยทิ้งลูกไม่ได้ถ้าจะไปก็ต้องไปตอนที่ได้ข่าวนั้นเพราะตอนที่ได้ข่าวยังไม่ได้เห็นหน้าลูกเพียงแต่ได้ยินข่าว พอ่องก็เลยตัดสินใจต้องหนีไปในคืนนั้นทำไมต้องหนีเพราะไปบอกใครก็ไม่มีใครให้ไปนะสิเขาจะหาว่าบ้าอันนี้บ้าเปล่าอยู่ดีๆอยู่ในวังมีแต่ความสุขอยู่ดีๆจะไปอยู่แบบขอทานจะไปอยู่แบบนอกบวชไม่มีใครเขาให้ไปหรอกยิ่งเขาฝากความหวังไว้กับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะว่าต่อไปจะเป็นมหาจักรพรรดิ ถ้าอยู่ครองลาดต่อไปต่อไปจะทำให้อณาจาักของพระ อ, องค์นี้ยิ่งใหญ่มหาศาลดังนั้นถ้าไปบอกใครว่าจะไปนี้ไม่รับรองได้ว่าเขาจะไม่ให้ไปกันเขาจะห้ามทันทีพระ อ, องค์เลยต้องหนีไปหนีไปแบบไม่มีใครรู้มีแต่มหัดเล็กติดตามไปส่งที่ชายแดนเพียงคนเดียวขี่ม้าไปที่ชายแดนพอพ้นชายแดนก็ให้มหาหเล็กเอาม้า ก, กลับไปในวัง แล้วไม่ให้บอกใครว่าไปทางไหนบอกว่าไม่รู้เพราะไม่รู้จริงๆพอพ้นจากเขตแดนไปแล้วก็พระองค์ก็ไปตามทางของพระองค์ไปแสวงหาพวกนักบวชไปอยู่กับพวกพวกนักบวชจนในที่สุดก็ได้เรียนรู้วิธีที่จะหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ความอยาก ได้ตัดสู้ตอนต้นก็เรียนจากผู้อื่นก็รู้เพียงแต่วิธีหาแบบชั่วคราวความสุขแบบชั่วคราวแต่ยังไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบถาวรที่จะอยู่กับใจไปตลอดนี้หาอย่างไรก็เลยต้องค้นคว้าหาด้วยพระ อ, องค์เองจนในที่สุดก็ทรงตัดสู้ค้นพบความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่การระ ง, งับความอยากต่าง ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเท่านั้นเองพอพระองค์ละับความอยากกามาตันหาภาวตันหาวิภาวะตันห า, ะะ ห, าหมดสิ้นไปจากใจความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะอยู่ในใจไปตลอดเนี่แหละเป็นสัมมาทิฐิอันดับสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือการรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหน ความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ความอยากเป็นเครื่องมืออยู่ที่ใจที่ระ ง, งับความอยากต่างๆให้มันหมดสิ้นไปนั่นเองอพอพระองค์ได้ท่งค้นพบสัมมาทิฐิอันนี้แล้วก็ทรงนำามามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราอันนี้เป็นความเป็นสัมมาทิฐิที่สุดยอด แต่ก่อนจะไปถึงนั่นได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิส่วนอื่นมาเป็นส่วนประกอบเพื่อที่จะตัดเพื่อที่จะดึงให้จิตใจของผู้ที่ต้องการไปสู่ความสุขที่สุดยอดนี้ต้องตัดเรื่องของการทําบาปทําบุญไปให้หมดก่อนต้องตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปก่อนต้องละได้ทั้งบุญละได้ทั้งบาป ถ้ายังทําบุญอยู่ก็ถ้ายังติดบุญอยู่ก็ยังจะกลับมาเกิดเพราะจะกลับมาเกิดจะอยากจะกลับมาทําบุญอยู่เรื่อยๆเ <S <S มื่อถึงขั้นสูงสุดแล้วแม้การติดบุญการอยากจะทําบุญก็ต้องตัดไปแต่เวลาเริ่มต้นนี้ยังต้องใช้การอยากทําบุญเป็นเครื่องมือพาขึ้นไปสู่ชั้นสูงก่อนไปสู่ทำขั้นสูงก่อน แต่พอไปถึงทำขั้นสูงแล้วแม้แต่การอยากจะทําบุญก็ต้องหยุดอย่าว่าแต่การอยากทําบาปเลยการอยากทําบาปนี้ต้องหยุดตั้งแต่เริ่มต้นเลยพอเริ่มต้นที่จะไปสู่ความสุขที่แท้จริงนี้ขั้นที่หนึ่งก็ต้องละการกระทําบาปทั้งปวงขั้นที่สองก็คือละการกระทําบุญทั้งปวงถึงจะสามารถเข้าไปสู่ความ สุขที่แท้จริงความสุขที่สูงสุดได้คือต้องละความอยากทั้งหมดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการอยากทำบุญหรืออยากไปเที่ยวอยากไปทำอะไรต้องละมันไปหมดอยากไปนิพพานก็ต้องละเมื่อถึงขั้นนั้นถ้ายังอยากอยู่ความอยากนี่ก็จะขวางไม่ให้เข้าไปสู่ความสุขที่ถาวร น, นั้นต่อไปนี่เป็นขั้นสุดท้าย นขั้นต้นนี้ยังต้องอยากทำบุญกันอยู่นะอยากทำบุญอยากละบาปกันอยากกําจัดความโลภความโกรธความหลงอยากภาวนาอยากฝึกสมาธิอยากฟังเทศน์ฟังธรรมอันนี้ต้องมีความอยากเหล่านี้ก่อนถึงจะปลาไปสู่ขั้นที่สุดขั้นสุดท้ายเมื่อถึงขั้นสุดท้ายก็ต้องตัดแม้แต่ความอยากจะไปทำบุญก็ต้องตัดนะ ถ้าไม่ฉะนั้นมันยังติดบุญอยู่มันยังตะกลับมาทำบุญอยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องของสัมมาทิฐิในพระพุทธศาสนาที่สอนให้เรารู้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบุญผลของบาปคือนรกสวรรค์มีจริงผู้กระทำบาปคือจิตใจไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือจิตใจ ผู้ที่ไปสวรรค์ไปนรกก็คือจิตใจผู้ที่สิ้นสุดยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็คือจิตใจถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องแล้วการกระทําของเราก็จะเป็นการกระทําที่ถูกต้องที่จะนําเราไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง จึงขอให้ท่านจงเอาสัมาิทิฏฐิที่ท่านได้ยินได้ฟังอันนี้ไปหมั่นคิดไปหมั่นพิจารณาไปหมั่นซ้อนใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพราะถ้าลืมเมื่อไหร่ปับ๊บมิจฉาทิฏฐิจะเข้ามาครอบงามจิตใจทันทีแล้วจะหลอกให้ไปหาลาบยศจรรเสริรญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทันทีการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปับปติอิชิตังปัทตังตุมหังกิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกบา จันโทปนะหราโสยะามณิโชติอราโสยะาสัพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควีนัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศีฤทสะนิจังุทธาปจายโนจตารโอธรรมา วัฏทนติอายุวันโนสุขังภาลางังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ c บุ o o k 8งร้อยแปดสิูทูบยวิทีออนไลน์ส3สผู้รับฟังบนเขา68รวมห5 5อห้าสิบห้าท่านค่ะ ใ น, น Facebook กับ o ู t u b ในใกล้ๆกัน่าตอนนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่าถามหลังจากที่เราเลิกแล้วเวลาเลิกประชุมนี้ถือว่าสิ้นสุดของการถามตอบ จะไม่มีการถามหลังใหม่ถ้าอยากจะถามหลังใหม่ก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาคิดว่าเป็นธรรมทานะปัญหาของเราก็อาจจะช่วยให้คนอื่นเข า, เ, าเตรียมป้องกันตัวไว้ก่อนก็ได้ เ, เกิดกับเราแล้วแต่ยังไม่เกิดกับคนอื่นพอคนอื่นเขาได้ยินได้ฟังเขาจะได้รู้ว่ า, าชีวิตมีปัญหาแบบนี้ด้วยนะ เดี๋ยวอาจจะเจอเราก็ได้เราจะได้รู้จากวิธีป้องกันหรือ ว, วิธีแก้ต่อไปอถามได้พูดใกล้ๆปากดังๆ อ, อยากถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการทำบุญนะเจ้าค่ะถ้าหากจิตเราเมื่อกี้จากที่ฟังพระอาจารย์เทศว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งจิตจะละการจากการทาบุญการทำบาปทุกวันนี้โยมพยายามหมั่นระวังตัวเองในการ ในการระวังการทําบาปเอสแล้วโยมก็ฟังฟังเขาฟังพระอาจารย์พูดแล้วโยมนึกว่าจิตเนี่ยพอเวลาถึงจุดจุดหนึ่งจะละจากการทําบุญนี่คือสภาวะจิตจะปล่อ ย, อยเองใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่เหมือนจะรู้ว่าการอยากทําบุญก็เป็นกิเลสเพราะว่ามันจะขัดขวางจิตที่จะเข้าสู่ความสงบเต็มที่ต่อไป ครับขอบพระคุณเจ้าคะ่ะอืมทำเล้ค่ะแต่ต้องเน้นว่าการอยากทําบุญนี้เป็นขั้นการไม่อยากทําการละ ก, การอยากทําบุญนี้เป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัตินะไม่ใช่ขั้นเริ่มต้นะ<น>ถ้าเริ่มต้นไม่อยากทําบุญนี้ก็ไม่ต้องไปไหนนะ่ะคขอบุณมากเพราะการทําบุญก็เป็นเครื่องมือ เมื่อเราทํากับข้าวเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเครื่องมือเราไปกินกับข้าวแทนอย่ามามั่วนั่งคอยคอยดูคอยรักษาเครื่องเครื่องมือทํากับข้าวไม่ได้กินกับข้าวเสียทีที่มีคําพูดว่าพระพุทธเจ้าพระนั่นนี้เป็นผู้ละได้ทั้งบุญละละได้ทั้งบาปคือท่านไม่ติดเนี่ยแต่ท่านก็ยังทําได้ พระุเจ้าก็ยังทำบุญพระอาหารหันต์ก็ยังทำบุญอยู่แต่ท่านไม่ได้ทำแบบติดติดคือต้องทาถ้าไม่ได้ทำแล้วรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจคนบางคนเคยใส่บาตรทุกวันพอวันไหนตื่นไม่ทันไม่ได้ใส่บาตรขึ้นมาก็รู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจต้องไปใส่บาตรมันถึงจะหายถ้าอย่างนี้อย่างนี้ว่ายัางติดบุญอยู่ติดการทำบุญอยู่ แต่ถ้าผู้ที่ไม่ติดมีโอกาสมีจังหวะทําได้ก็ทําไม่มีโอกาสก็ไม่ทำํำเพราะไม่ได้อาศัยบุญเป็นเป็นเครื่องมือให้ความสุขแล้วเพราะมีความสุขอยู่ในตัวของผู้ก็ผู้ทําเองผู้ปฏิบัติเองอ่าไม่มีกรถามทางบ้านก็ไม่มีเหมือนกันนะมีค่ ะ, ะมีกระทำ จะผู้ไม่ประสงค์ออกนามลูกอยากทราบว่าลูกอยากทราบว่าขณะนี้ลูกภาวนาแล้วจิตจับอยู่ที่บทสวดมนต์มานานขึ้นขั้นต่อไปลูกควรจะทำอย่างไรต่อคะก็ทำต่อไปสิทมให้มากๆแล้วก็ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งให้สักแต่ว่ารู้หลังจากสวดมนต์แล้วก็นั่งหลับตาดูลมหายใจต่อดูลมเข้าลมออก อย่าคิดนั้นคิดนี้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พยายามอย่าไปให้คิดอย่าไปตามคิดให้อยู่กับลมดูลมอย่างเดียวดูจุดเดียวไม่ต้องตามเข้าข้างในไม่ต้องตามออกมาข้างนอกอยู่ตรงจุดเดียวจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามค่ะ ถ้าเราไม่มีเงินทำบุญแล้วเราบอกบุญคนอื่นคนอื่นก็นําเงินมาร่วมกับเราแล้วเรานําเงินของคนอื่นไปทำบุญกรณีเช่นนี้เราได้บุญใหม่เจ้าคะและบุญที่ได้จะเต็มใหม่เจ้าคะไม่ได้บุญไม่ได้เกิดบุญเป็นของคนอื่นเขาเงินของคนของใครก็เป็นบุญของคนนั้นสิ่งที่เราได้ก็เพียงแต่เป็นผู้ประสานให้ผู้อืนเขาได้ทาบุญ เหมือนกับเราไปพาคนไปกินอาหารในร้านอาหารแต่เราไม่ได้กินสถกทีเราเป็นเพียงแต่คนพาเขาไปกินเราไม่ได้กินเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้ทำเราเป็นเพียงแต่ผู้ประสานผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อื่นที่เขาอาจจะไม่ได้ทำบุญเพราะเขาไม่มีเวลาว่างเราก็เลยเป็นอาสาสมัครเป็นเหมือน เป็นเหมือนทางให้เขาได้ทําบุญคำถามจาคุณนัทนานเวลาที่สามีบ่นว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้ากําลังทําอะไรอยู่ใจจะมีอาการกระเพื่อมแต่บางช่วงที่ทําสมาธิดีจะไม่เป็นไรคะ่ะเราควรจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรคะอะก็อย่าให้มันกระเพื่อมเหมือนตอนที่เราทำสมาธิเนี่ย ก็ตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจอยู่อย่าปล่อยให้ใจไม่มีสติคอยควบคุมต้องคอยพอรู้ว่าสามีเริ่มพูดอะไรแล้วก็พุทโทรไปเตรียมรับก่อนเลยสออย่าเดี๋ยวถ้าไม่เตรียมรับเดี๋ยวกระเพิ่มละพอเขาพูดอะไรขึ้นมาพอรู้ว่าเราก็ระเพิ่มเวลาเจอใครเวลาเจอเขาเราต้องรีบสร้าง เอาเอาวุธขึ้นมาป้องกันตัวแล้วะต้องตั้งสติรับแล้พุโทโธพุโทโธไปก่อนแล้วเขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเราก็พุโทโธของเราไปเจคุณสิริพัฒรสอนเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าตัวเองหายไปเวลาก่อนออกจากสมาธิพยายามไล่จากหัวจรดเท้าแต่หาไม่เจอภาวะอย่างนี้คือสภาวะธรรมที่จิตนิ่งไหมเจ้าคะ ก็ไม่รู้แหละเจ่คนเป็นคนปฏิบัติคุณก็ต้องรู้เองมันเป็นภาวะอะไรรู้ไม่รู้ก็ไม่สำคัญขอสำคัญให้รู้ว่าเราสุขหรือทุกข์หรือไม่เะนั้นเองถ้าเราสุขก็ใช้ได้ถ้าเราไม่สุขก็ยังใช้ไม่ได้ไม่ต้องไปรู้ชื่อมันว่าเป็นภาวะอะไรให้มันมีความสุขมีอุเบกขาใจเป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง อะไรจะหายหรือไม่หายก็ไม่สําคัญขอให้สําคัญว่าใจมีความสุขหรือไม่คาถามจากคุณทูม่หลวงพ่อครับสู้กับความอยากต้องพุโทโธอย่างเดียวใช่ไหมครับก็ถ้ามีใช้ปัญญาเป็นก็ใช้ปัญญาพออยากจะทำอะไรบอกว่าเดี๋ยวเจ็บตัวนะพอรู้ว่าจะเจ็บตัวมันก็จะไม่ทาหยุดความอยากได้ แต่ถ้าไปคิดว่าทำแล้วจะมีความสุขมันก็จะหลงมันก็จะทามันก็จะหยุดความอยากไม่ได้เพราะการกระทำอะไรไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปแต่เรามองไม่เห็นเรามองไม่ไกลเรามองแต่เราพวกสายตาสั้นพูดง่ายๆเห็นแต่ความสุขเหมือนปลาที่เห็นแต่เหยื่อแต่ไม่เห็นเบ็ดที่เกี่ยวเนื้อเหยื่อไว้ พอไปหุบเนื้อเหยื่อเข้าเดี๋ยวก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากต่อไปคนที่มีปัญญามีสัมมาทิฏฐินี้จะต้องมองไกลไม่ใช่มองแต่มองใกล้อย่างเดียวมองทั้งใกล้ทั้งไกลระยะใกลน้นี้สุกไปเที่ยวนี้สุกดยเสพยาเสพติดมันแล้วพอติดแล้วเป็นยังไงทีนี้เวลาไม่มีเสพเป็นยังไงต้องมองอย่างนั้นมันถึงจะไม่กล้าเสพ มไมไ่กลจากคุณมลขอเรียนถามค่ะตอนฟังธรรมนั่งสมาธิไปด้วยถูกต้องแล้วใช่ไหมคะแล้วถ้านั่งสมาธิแล้วหลับจะได้ประโยชน์ไหมคะไม่ถูกครับฟังธรรมก็ฟังธรรมไปเลยจะไปนั่งสมาธิทําไมนอกจากเราใช้การฟังธรรมเป็นอารมณ์ในการฝึกสมาธิเอ คือนั่งถ้าเรานั่งแล้วดูลมหายใจเองไม่ได้พุโทโธเองไม่ได้เราก็อาศัยการฟังธรรมไปเป็นอารมณ์แทนพุโทโธแทนเป็นอารมณ์แทนแทนการดูลมหายใจ อย่างนี้ก็จะได้ความสงบในระดับหนึ่งแต่ไม่มากไม่ไม่ไมลึกเท่ากับการที่ดูลมหายใจหรือการพุโทโธเองแต่บางครั้งจิตเรายังไม่มีกําลังพอที่จะดูลมหรือที่จะพุโทโธเองเราก็ต้องอาศัยการฟังธรรมเป็นการสร้างกําลังขึ้นมาก่อนพอเราฟังธรรมเส็จใจเราสงบเข้าสู่ระดับที่เราจะพุโทโธได้หรือดูลมได้เราก็ทาต่อไป อันเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังทมเพื่อต้องการเป็นอารมณ์ของสมาธิก็ฟังแต่เสียงไปไม่ต้องคิดตามไม่ต้องพิจารณาแต่ถ้าเราฟังทมเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นที่ถูกต้องเราต้องนึกคิดตามไปด้วยต้องนึกภาพตามไปด้วยถึงจะเข้าใจถึงจะรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนั้นขึ้นมา ถ้าฟังแบบไม่นึกคิดตามมันก็จะนิ่งจะเฉยจะสงบคำถามจากคุณแอลหากเราเจอคนที่เราไม่ชอบแล้วเราไปหลงเราจะพิจารณาอย่างไรให้ชนะกิเลสตัวหลงรูปจะทำอย่างไรให้จิตเรารู้สึกเฉยเฉยทุกครั้งหลงยังไงนะ่ะคาว่าหลงแปลว่าไงนะ่ะ ไม่รู้นเราอธิบายมาันใช่ว่าไ่เจอคนไม่ชอบแล้วหลงไปว่างเลยมันไม่ชอบมันก็หลงอยู่แล้วคนที่ไม่หลงอาจจะเฉยเฉยอัจจะไม่รักไม่ชังคนที่รักก็หลงคนที่ชังก็หลงไม่ว่าจะเป็นความรักหรือเป็นความชังนี่มันเกิดจากความหลงทั้งนั้นวิธีที่จะทำให้ไม่หลงก็มีสองวิธีวิธีแรกก็ทาใจให้เป็นสมาธิให้เป็นอุเบกขา ถ้าใจเป็นกลางใจก็จะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงวิธีที่สองก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าไอ้ที่เรารักไปรักไปชังมันเป็นอะไรกันแน่ถ้าเราพิจารณามันก็วอกมันก็เป็นดินน้ำลมไฟหรือเป็นอาการสาสิบสองถ้าเป็นร่างกายคนมันก็เป็นผมขนเล็บฟันทำไมผมขนเล็บฟันของคนนี้ไปรักทาไมผมขนเล็บฟันคนนี้ไปเกลียดมันก็ผมเหมือนกันไม่ใช่หรอ เวลาตัดผมออมาวางไวนะ้เนาะไปเปรียบเทียบดูว่าของคนที่เราลักกับคนที่เราเกลียดมันต่างกันไหมมันก็เป็นผมเหมือนกันเป็นเล็บเหมือนกันเป็นฟันเหมือนกันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นเหมือนกันไปหมดเนี่ยเนี่ยพอเราไปหลงหลงหลงในพฤติกรรมของเขาไม่ใช่อะไรเราไม่ได้ไปหลงว่าอ๋อคนไหนที่ทําดีกับเราเราก็ลักเขาชอบเขาคนไหนที่เขาทําไม่ดีกับเราเราก็เกลียดเขาชังเขาอะไรนี่ คุณพิทักษ์ผมได้อ่านหนังสือที่หลวงตาท่านเทศบอกไว้ว่ามีข้อสงสัยที่ยังไม่เข้าใจอยากถามบรบกวนถามพระอาจารย์ครับที่หลวงตาบอกว่าในขณะฟังเทศให้จิตอยู่กับตัวไม่ให้ส่งออกไปไหนแม้แต่ผู้เทศก็ไม่ให้ส่งออกมาจะทําจิตให้อยู่กับตัวเองคือการทําอย่างไรครับก็ตั้งใจฟังเนตั้งใจฟังเสียงธรรมที่มากระทบกับหู ไม่ต้องไปคิดถึงคนพูดว่าตอนนี้เขานั่งอยู่ในท่าไหนเขากำลังทำอะไรอย่างไรไม่ต้องไปสนใจให้สนใจกับเสียงธรรมที่มากับสัมผัสกับหูแลรับรู้ด้วยใจไปนั่นเองคือใจถ้าเป็นเปรียบเทียบเหมือนคนที่นั ก, นกเล่นฟุตบอลเ็ามีคนเฝ้าประตูใช่ไหม ก็เรียกว่าอะไรนาทวานเนอะนทวานนี้ไม่ไม่วิ่งไปกลางสนามใช่ไหมคอยอยู่แถวบริเวณหน้าประตูนนะรอให้บอลมันมาหาไม่ต้องไปวิ่งตามบอลการฟังธรรมก็เหมือนกันไม่ต้องไปวิ่งตามธรรมไม่ต้องไปหาธรรมไม่ต้องไปหาที่ปากของคนพูดรอนั่งอยู่ที่ใจเนี่ยเดี๋ยวมันมาหาเราเองให้มีสติอยู่ที่ใจคอยรับฟังเสียงท่านเองเคยตั้งรับอย่าไป อย่าไปตั้งไล่อย่าไปไล่หาให้รับเฉยๆแล้วจะรับได้ทุกลูกถ้าไปคอยวิ่งไล่รับเดี๋ยววิ่งไปทางนู้นว่อนมาทางนี้ก็เข้าประตูเลยนะ <c oughs> นี้คือการฟังธรรมฟังธรรมให้มีสติอยู่เฉพาะหน้าอยู่เฉพาะตัวเราอยู่ที่ใจอยู่ที่การรับรู้ อย่าไปคิดปรุงแต่งถึงผู้สแสดงว่าวันนี้ท่านสแสดงดีไม่ดีท่านอารมณ์ดีไม่ดีท่านหน้าตาสดใสเบิกบานหรือไม่สดใสเบิกบานเสียงทำไมท่านค่อยเสียงทำไมถึงดังอันนี้ไม่ต้องไปอย่าไปปรุงแต่งพูดง่ายๆให้นั่งให้ให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้จะคุณแอล หากการที่เราหลอกเด็กสองสาขวบให้เชื่อฟังให้หายร้องไห้ถือว่าเราผิดศีลข้อมูสาไหมคะหากสอนเป็นเหตุผลเด็กไม่เข้าใจก็จะร้องไห้ต่อก็มูษาอยู่ดีะถ้าไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปมูสาดีกว่าเดี๋ยวเด็กมันรู้ต่อไปมันจะไม่เชื่อเรานะเราจะเสียเครดิตมันจะร้องก็ปล่อยมันร้องไปเลยเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดเองอ่ะดีกว่าไปหลอกมัน ต่อไปมันรู้ว่าพ่อแม่ขี้หลอกต่อไปมันจะไม่เชื่อพ่อแม่จากคุณสุขุมวิธีการดูให้แยกธาตุแยกขันได้ต้องฝึกดูแบบไหนครับก็ดูเหมือนกับเราดูดูทีวีเรายังแยกพระเอกนางเอกได้ไม่ใช่แยกผู้ร้ายจากผู้ดีได้อันนี้ก็แยกแบบนั้นนะก็แยกมันสิแยกธาตุแยกขัน แยกว่าธาตุคือร่างกายนมามขันก็คือใจผู้รู้ผู้คิดเป็นคนละส่วนกันก็แยกแบบนั้นไม่ได้เป็นอันเดียวกันคนที่ไม่แยกจะเหมารวมกันว่าทุกอย่างรวมกันอยู่ในร่างกายเบ็ดเสร็จทุกอย่างทั้งผู้รู้สึกนึกคิดแต่ความจริงผู้รู้สึกนึกคิดไม่ได้อยู่ในร่างกาย ความรูนึกคิดนี้อยู่ตะอยู่แยกออกมาเป็นเหมือนอีกคนหนึ่งเป็นเหมือนผู้คอยควบคุมถ้าเป็นหุ่นก็หุ่นนี่ก็เป็นผู้ควบคุมหุ่นนะหุ่นกับผู้ควบคุมหุ่นนี่เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันธาตุธาตุากับขันก็เหมือนกันธาตุก็คือรูปประขัน ส่วนผู้รู้สึกนึกคิดก็เรียกว่านามขันนามขันเป็นผู้ควบคุมสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆก็ให้รู้ว่ามันคนละส่วนกันเวลาร่างกายเป็นอะไรผู้รู้สึกนึกคิดก็ไม่ต้องเป็นไปกับร่างกายแต่ถ้าไม่รู้ก็จะเป็นไปพร้อมๆกันพอ ป, ปวดท้อง ผ, กกงผู้รู้สึกนึกคิดก็ปวดไปด้วยอวาจริงผู้รู้สึกนึกคิดไม่ได้ปวด ผู้ที่ปวดคือท้องผู้รู้สึกนึกคิดก็ให้รู้เฉยๆไปว่ามันปวดที่ท้องแต่เราไม่ต้องไปปวดกับมันปวดด้วยความอยากให้มันหายปวดเพราะเกิดความอยากให้มันหายปวดมันเลยปวดที่จิปวดที่ใจขึ้นมาด้วยคำถามจากเด็กนะคะชื่อน้องทีถ้านั่งสมาธิแบบลืมตาได้ไหมครับได้แต่มันไม่ได้ผลเลยนั่งสมาธิต้องหลับตา เพาลืมตาใจมันก็ยังส่งออกไปทางตาอยู่เราต้องการดึงใจให้เข้าข้างในเห็นต้องปิดตาเอไม่ไปรับรู้อะไรทางตาแล้วมันจะได้ไม่ออกมาข้างนอกมันจะได้เข้าข้างในมันจะได้สงบได้อคําถามจากคุณสุบินมีสองคำถามนะคะคําถามที่หนึ่งการนิมนต์พระมาฉันเช้า เพนที่บ้านทุกปีคิดว่าทําบุญให้บ้านและที่อยู่ตอนนี้มาคิดเปลี่ยนไม่นิมนต์พระหันมาเลี้ยงให้ทานคนหมู่เยอะแทนอย่างนี้เป็นบุญเหมือนกันใช่ไหมคะได้เหมือนกันก็เป็นเสียสละข้าวของเงินทองเหมือนกันคําถามที่สองลูกฟังธรรมะจากพระอาจารย์ว่าทําบุญกับใครก็ได้บุญเหมือนกันลูกคิดว่า พระมีเหลือกินเหลือกินเหลือใช้แล้วหันมาทำทานคนงานก่อสร้างเขาทำงานแลกเงินลำบากลูกคิดผิดไหมคะไม่ผิดเราเมื่อพระเขาเหลือกินเขอาไปให้ท่านท่านก็กินไม่ลงอยู่ดีท่านก็มีท้องเดียวปากเดียวพอมันเกินกว่าที่ท่านจะกินได้ท่านก็ต้องแบ่งออกไปให้คนอื่นต่อเมื่อเราไปแบ่งแทนให้ท่านท่านก็จะได้ไม่ต้องมีภาระเราก็ไปแบ่งไปแจก แต่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดเวลาท่านไม่มีเราไม่รู้สิจะเป็นยังไงเราก็ยังคิดว่าท่านเหลือกินอยู่ท่านก็จะอดได้ถ้าอดบ่อยๆท่านก็อาจจะศึกมาเป็นค า, ารวาสมาหากินเองยังก็ต้องคอยสังเกตดูบางทีมันอาจจะ โดยเถิดไปต้องดูความพอดีดูว่าพระสงฆ์องค์เจ้านี้ยังมีกินมีใช้หยือเปล่าถ้าอยากขาดแคลก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากการให้ผู้อื่นมาให้พระสงฆ์องค์เจ้าก่อนถ้าเรายังอยากให้มีพระสงฆ์อยู่ในอยากอยากให้มีศาสนาอยู่ต่อไปก็ต้องนิ่งดูพระสงฆ์องค์เจ้าเพราะพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้มาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรม เพื่อที่จะได้เอาธรรมมาสั่งสอนให้กับพวกเราอีกทอดหนึ่งต่อไปจกผู้ไม่ประสงค์ออกนามเราฟังธรรมในท่านอนฟังได้ไหมคะเนื่องจากร่างกายไม่สมบูรณ์ค่ะก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ที่ไหนถ้าเราไปวัดเราไปนอนฟังมันก็คงยังไม่เหมาะแต่ถ้าเราอยู่ในโรงพยาบาลนอนอยู่บนเตียงลุกขึ้นมาฟังไม่ได้อนี้ก็ฟังได้ฟังต้องอยู่ที่กาละเทศะด้วย คำถามจะคุณชอบเพชรมักมีองค์8มีความสําคัญอย่างไรค ะ, ะมักก็เป็นบันไดไงจะขึ้นจากชั้นชั้นล่างขึ้นสู่ชั้นบนก็ต้องเดินขึ้นบันไดถ้าบันไดไม่สมบูรณ์บันไดก็อาจจะหักกลางทางได้มักมีส่วนประกอบมีบันไดมีส่วนประกอบอยู่8 8ส่วนด้วยกันก็ต้องสร้างบันไดให้มันมั่นคงแข็งแรงด้วยองค์ประกอบ8องค์นี้พอมีองค์ประกอบ ประกอบแปดองค์ครบ ม, มันก็จะแข็งแรงมีกำลังที่จะรับน้ำหนักของผู้ที่จะเดินขึ้นสู่ชั้นสูงต่อไปได้มักเป็นเป็นบันไดที่จะยกระดับจิตของพวกเราจากปุถุชนให้ไปเป็นพระอริยบุคคลนั่นเองให้ไปเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาระอรหัห น, หน์ถ้าไม่มีมากก็ไปไม่ได้ต่อให้อยากไปต่อให้เก่งขนาดไหนถ้าไม่มีมักก็ไปไม่ได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ต้องสร้างมรรคขึ้นมาถึงจะไปถึงพานิพานได้ถึงเป็นพระพุทธเจ้าได้คำถามจากคุณทูมัยค่ะหลวงพ่อครับบวชสามสิบวันนั่งสมาธิแล้วจะได้จิตสงบหรือเปล่าครับมันไม่ได้อยู่ที่วันเวลาอยู่ที่สติมีสตินั่งห้านาทีก็สงบได้ไม่ต้องบวชก็ได้ ฉะมันอยู่ที่ว่ามีสติพอที่จะทำใจให้สงบหรือไม่ <c oughs> <c oughs> บางคนบวชมาสามสิบปียังไม่สงบเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เวลาอยู่ที่สติงานทำใจให้สงบ อยานัพยายามฝึกสติเพียงแต่ให้มันพุทธโทต่อเนื่องสักหานาทีเท่านั้นน่ทำได้หรือเปล่าไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นไม่ให้ไปวับไปหาเรื่องอื่นเะยรห้านาทีพุทโทอย่างเดียวเนี่ยเราจะเห็นผลที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคำถามจะคุณใจดีการทำบุญกับพระที่ท่านปฏิบัติดีกับพระที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติผลของบุญที่ได้รับต่างกันหรือเปล่าครับ บุญมันมีสองส่วนไงบุญที่แลเกิดจากการให้ของเราไม่ต่างกันทํากับหมาก็ได้ทํากับคนก็ได้ทํากับพระก็ได้บุญเท่ากันแต่บุญที่จะได้ต่างกันก็คือธรรมะที่เราจะได้รับจากพระที่เราไปทําบุญด้วยพระที่ไม่มีธรรมะก็ไม่มีธรรมะให้เรานะถ้าเราต้องการธรรมะเราก็ต้องไปทําบุญกับพระที่มีธรรมะพระที่มีธรรมะมากที่สุดก็คือพระพุทธเจา้า ลองลงมาก็คือพอาาระอรหันต์ลองลงมาก็คือพระอริยะบุคคลขั้นต่างๆอันนี้ถ้าต้องการธรรมะก็ต้องเลือกพระที่มีธรรมะแต่ถ้าต้องการความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันทากับใครก็ได้ค่ะน้องทีฝากถามอีกข้อหนึ่งนะคะ ถ้านั่งสมาธิแล้วกำหนดพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วคำบริกรรมหายไปกลายเป็นว่างเปล่าถือว่าดีไหมครับก็ไม่แน่ว่างเปล่าแล้วมันคิดหรือเปล่าถ้ามันคิดมันก็ไม่ดีถ้ามันไม่คิดก็ดีถ้ามันรู้เฉยๆก็ดีถ้ายังคิดอยู่ก็ต้องบริกรรมต่อไปพอหยุดบริกรรมปป๊บเดี๋ยวมันก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วใจมันก็จะพ้งสร้างขึ้นมาต่อไปได้ เน้นต้องดูที่ความคิดว่าหายไปหรือเปล่าถ้าไม่มีความคิดรู้เฉยๆก็ใช้ได้แต่ถ้ายังไม่สงบเต็มที่ก็อย่าเพิ่งหยุดบริกรรมเด็ดขาบริกรรมต่อไปให้มันตกหลุมตกบอ่อวุบเข้าไปนิ่งสงบทุกอย่างหายไปหมดเหลือแต่ความมหาสัจ์ใจเออย่างนั้นจะดีกว่างั้นอย่าเพิ่งไปทิ้งพุทธโธทําต่อไปพุทธโธต่อไปอหมดแล้วเหรอ มีใครอยากจะถามไหมมาแล้วพะอาจารย์คะ่ะจะกราบเรียนถามเรื่องการทำสมาธิพูดใกล้ปากหน่ยอยการทำสมาธิค่ ะ, ะเดูตอนแรกเนี่ยพุโทโธดูลมก็เอาไม่อยู่จนกระทั่งเมื่อเชา้านี้คิดว่าถ้าเราอยู่ในห้องไอซูใกล้จะตายตัวเราไม่เหลืออะไรเลยนอกจากลมหายใจ ต้องอยู่กับเขาให้ได้ก็ใช้อุบายเนี้ยก็เลยเลยเมึนก็นสงบแล้วก็ไปได้เรื่อยๆนิ่งแล้วก็เวลาออกจากสมาธิก็ไม่ปวดเมื่อยไม่รู้สึกว่าอึดอัดเจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่จะใช้อุบายแบบนี้ได้แพ้ว่าเนี่ยเราจะตายแล้วเราจะต้อง อยู่กับลมหายใจที่มีอยู่เนี่ยให้ได้อาจจะได้ครั้งสองครั้งต่อไปมันรู้ว่ามันพอเกิเลตมันรู้แล้วมันก็ไม่เชื่อต้องเปลี่ยนึต้องระกาบเรียนถามว่าไม่ใช่ละแบบไม่แน่ใจว่าต้องค่อยเปลี่ยนอุบายเรื่องภาบางทีต้องไปหาที่น่ากลวัวไง อได้ยินเสียงเสียงเสือคำรามเนี่ยกลัวจะตายได้แล้วผุดโทรดีกว่านี่ก็กลัวแค่บอกว่าไม่ใช่ละบอกว่าคิดว่ามันดีแต่อาจจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ตลอดก็ลองใช้ไปดูเลยจอกว่าจะใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ก็ต้องหาใหม่หาใหม่เ๋ย กิเลสมันเหมือนพวกเชื้อโรคอ่ะถ้าเราใช้ยาปฏิชีวนะชนิดนี้ใหม่ๆมันก็จะมันก็จะสู้ไม่ได้แต่ต่อไปมันพอรู้รู้ยาแล้วทีนี้มันเริ่มรู้วิธีต้านยาแล้วเดี๋ยวยาชนิดนี้ก็ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนยาใหม่เหมือนกันเลยกิเลสกับกับกับเชื้อโรคในร่างกายนี้คล้ายๆกันมันจะรู้จักวิธีต่อต้านปรับ บงตัวมันเองให้สู้กับอุบายต่างๆที่เราใช้สู้กับมันเราก็ต้องคอยเปลี่ยนอุบายเรื่อยๆอันนี้เป็นความฉลาดของผู้ปฏิบัติเองอันนี้สอนกันไม่ได้เอาแล้วนะถ้าไม่มีคาถามก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเชิอจุ